ถ้ามนุษย์บางพวกเดินมาตามทางหรือเดินสวนทางมาเราจะถามมักขากับพวกเขาว่าเขาวงกฎอยู่ที่ไหนพวกเขาเห็นเราทั้งหลายในระหว่างมักคานั้นจะพากันคร่อมครวญด้วยความกรุณาพวกเขาบอกให้ทราบถึงความลำบากว่าเขาวงกฏยังอยู่อีกไกลครั้งนั้น พระกุมารทั้งสองทอดพระเนตรเห็นต้นไม้อันมีผลในป่าใหญ่ทรงกันแสงเพราะประสงค์ผลไม้เหล่านั้นมูไม้สูงใหญ่ดังจะสะดุ้งเพราะเห็นพระกุมารทั้งสองทรงกันแสงจึงน้อมกิ่งลงมาเองจนใกล้จะถึงพระกุมารทั้งสองพระนางมัตสีผู้งดงามทั่วพระวรกายทอดพระเนตรเห็นเหตุอัศจรรย์ไม่เคยมี หน้าขนพองสยองกล้าวนี้จึงซ่องสาธุการว่าหน้าอัศจรรย์คนลุกขนพองไม่เคยมีในโลกหนอะด้วยเดชแห่งพระเวสสันดรต้นไม้น้อมกิ่งลงมาเองได้ถวยเทพทั้งหลายมาช่วยย่นมักขาให้เพื่ออนุเคราะห์พระกุมารทั้งสองกษัตริย์ทั้ง 4, สี่เสด็จถึงเจตรรัตโดยวันที่สเสด็จออกนั่นเอง กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์นั้นสเสด็จไปสิ้นทางไกลถึงเจตรัฐซึ่งเป็นชนบทเจริญมั่งคัง่งมีมังสะและข้าวดีๆเป็นอันมากพระาศาสดาตรัสว่าสตรีชาวนครเจตรัฐเห็นพระนางมัตสีผู้มีสุภลักษ์สเสด็จมาก็พากันห้อมล้อมกล่าวกันว่าพระแม่เจ้าผู้สุกุมาลชาตินี้สเสด็จมาด้วยประบาด พระนางเคยเสด็จไปด้วยคารหามวอและราชรถวันนี้พระนางมาสีต้องเสด็จดำเนินในป่าด้วยพระบาทพญาเจตรราชทั้งหลายได้ทัศนาเห็นพระเวสสันดรตางก็ทรงกันแสงเข้าไปเฝ้ากราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพระองค์ทรงพระสัมราญไม่มีพระโรคาพาธแลหรือ พระองค์ไม่มีความทุกข์แลหรือพระราชบิดาของพระองค์หาพระโรคาพาธไม่ได้แลหรือชาวนครสีพีก็ไม่มีทุกข์หรือข้าแต่พระมหาราชาคนนิกายของพระองค์อยู่ณที่ไหนกระบวนรถของพระองค์อยู่ณที่ไหนพระองค์ไม่มีมา้าทรงไม่มีรถทรงเสด็จดำเนินมาสิ้นทางไกล ถูกฆ่าศึกย่ำยีกระมังจึงเสด็จมาถึงทิศนี้พระมหาสัตตร์ตรัสว่าสหายทั้งหลายเอย๋ยข้าพเจ้ามีความสบายไม่มีโรคาพาธข้าพเจ้าไม่มีความทุกข์อันหนึ่งพระราชบิดาของข้าพเจ้าก็ทรงปราศจากพระโรคาพาธและชาวสีพีก็สุขสำราญดี ก็ข้าพเจ้าได้ให้พญากุณชรตัวมีงางอนงามดังงอนไถแกล้วกล้าสามารถรู้เขตชยภูมิแห่งสงครามทั้งปวงเป็นช้างเผือกขาวผ่องประเสริฐสุดปกคลุมด้วยผ้ากำพลเหลืองกำลังซับมันสามารถย่ำยีศัตรูได้มีงางามพร้อมทั้งพัดวาลวิชนี มีสีขาวดังเช่นเขาไกร ล, ลาดข้าพเจ้าได้ให้พญาช้างราชพหานะซึ่งเป็นยานชั้นเลิศเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐพร้อมทั้งสเสวตชัดเครื่องลาดหมอช้างและคนเลี้ยงช้างแก่พวกพราหมณ์เพราะเหตุนั้นชาวนครสีผีพากันโกรธเคืองข้าพเจ้าทั้งพระราชบิดาก็ทรงกลิ้วขับไล่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไปเขาวงกฎสหายทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงให้ข้าพเจ้าทราบโอกาสอันเป็นที่อยู่ในป่าเถิดพญาเจตราชทั้งหลายทูลว่าข้าแต่พระมหาราชพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มิได้เสด็จมาร้ายเลยพระองค์ผู้เป็นอิสราธิปดีเสด็จมาถึงแล้วขอจงตรัสบอกพระประสงค์ สิ่งซึ่งมีอยู่ในพระนครนี้ข้าแต่พระมหาราชขอเชิญเสวยสุธาโภชนาหารข้าวสาลีผักเง่ามันน้ำผึ้งและเนื้อพระองค์เสด็จมาถึงเป็นแขกที่ข้าพระองค์ทั้งหลายสมควรจะต้อนรับพระเวสสันดรตรัสว่าสิ่งใดอันท่านทั้งหลายให้แล้วสิ่งนั้นทั้งหมด เป็นอันข้าพเจ้ารับไว้แล้วบรรณาการเป็นอันท่านทั้งหลายกระทาแล้วทุกอย่างพระราชาทรงขับไล่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปยังเขาวงกฎแน่สหายทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงให้ข้าพเจ้าทราบโอกาสอันเป็นที่อยู่ในป่าเถิดพญาเจตรราชทั้งหลายทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมทัพ เชิญเสด็จประทับณเจตรรัตน์นี้ก่อนเถิดจนกว่าชาวเจตรรัตน์จไปเฝ้าพระเจ้าสีวิราชเพื่อทูลวิงวอนให้พระมหาราชผู้พดุงแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญทรงทราบว่าพระองค์ไม่มีโทษชาวเจตรัตน์ทั้งหลายได้ที่พึ่งแล้วมีความปรีดาจะพากันแห่แวดล้อมพระองค์ไปข้าแต่บร ม, มกษัตริย์ ขอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้เถิดพระมหาสัตตรัตว่าการไปเฝ้าพระเจ้าสีวิราชเพื่อทูลวิงบอลให้พระองค์ทรงทราบว่าเราไม่มีโทษท่านทั้งหลายอย่าชอบใจเลยในเรื่องนั้นแม้พระราชาก็ไม่ทรงเป็นอิสระเพราะถ้าชาวนครสีพีทั้งพลนิกายและชาวนิคมโกรธเคืองแล้ว ก็ปรารถนาจะกาจัดพระราชาเสียเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าพญาเจตรราชทั้งหลายทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ผดุงรัฐถ้าพฤติการนั้นเป็นไปในรัฐนี้ชาวเจตรราชขอถวายตัวเป็นบริวารเชิญเสด็จครองราชสมบัติในเจตรรัตนี้ทีเดียวรัฐนี้ก็มั่งคั่งสมบูรณ์ชนบทก็เพียบพูนกว้างใหญ่ ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพขอพระองค์ทรงปลงพระไทยปกครองราชสมบัติเถิดพระเจ้าข้าพระเวสสันดรตรัสว่าข้าพเจ้าไม่มีความพอใจไม่ตกลงใจเพื่อจะปกครองราชสมบัติท่านเจตบุตรทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าผู้ถูกขับไล่จากแว่นแคว้น ชาวนครสีพีทั้งพลนิกายและชาวนิคมคงไม่ยินดีว่าชาวเจตารัฐราชาพิเศษข้าพเจ้าผู้ถูกขับไล่ไปจากแว่นแคว้นแม้ความไม่เบิกบานใจพึงมีแก่ท่านทั้งหลายเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าเป็นแน่อันหนึ่งความบาดหมางและความทะเลาะกับชาวสีพีข้าพเจ้าไม่ชอบใจ ใช่แต่เท่านั้นความบาดหมางพึงรุนแรงขึ้นสงครามอันร้ายกาจก็อาจมีได้คนเป็นอันมากพึงฆ่าฟันกันเองเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าผู้เดียวสิ่งใดอันท่านทั้งหลายให้แล้วสิ่งนั้นทั้งหมดเป็นอันข้าพเจ้ารับไว้แล้วบรรนาการเป็นอันท่านทั้งหลายกระทาแล้วทุกอย่างพระราชาทรงขับไล่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไปยังเขาวงกฏขอท่านทั้งหลายจงให้ข้าพเจ้าทราบโอกาสอันเป็นที่อยู่ในป่าเถิดพวกกษัตริย์ทูลว่าเชิญเถิดราชฤษีทั้งหลายผู้ทรงบูชาไฟมีพระไทยตั้งมั่นพระทับยุ่ณประเทศใดข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะกราบทูลประเทศนั้นให้ทรงทราบ เหมือนอย่างผู้ฉลาดในหนทางฉะนั้นข้าแต่พระมหาราชาโน่นภูเขาศิลาชื่อว่าคันธมาศอันเป็นสถานที่ที่พระองค์พร้อมด้วยพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีสมควรจักประทับอยู่พระเจ้าค่าพญาเจตรราชทั้งหลายก็ทรงกันแสงพระเนตรนองด้วยอสุชน กราบทูลพระเวสสันดรให้ทรงสดับว่าข้าแต่พระมหาราชาจากนี้ไปขอเชิญพระองค์ทรงบ่ายพระพักไปทางทิศอุดรเสด็จสัญจรตรงไปยังสถานที่ที่มีภูเขานั้นข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญลำดับนั้นพระองค์จักทรงเห็นเวปุละบรรพธอันดารดาษไปด้วยหมู่ไม้นานาพันธุ์ มีเงาร่มเย็นเป็นที่รื่นรมใจข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระองค์เสด็จล่วงเลยเวปุละบันพจน์นั้นแล้วถัดนั้นไปจะได้ทรงเห็นแม่น้ำอันมีนามว่าเกตุมดีเป็นแม่น้ำลึกไหลมาจากซอกเขาเกลื่อนกลลไปด้วยฝูงปลาหลากหลายมีท่าน้ำราบเรียบดีมีน้ำมาก พระองค์จะได้สงสนานและเสวยในแม่น้ำนั้นปลุกปลอบพระราชโอรสและพระราชธิดาให้สำราญพระไทยข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญทัดนั้นไปพระองค์จะได้ทรงเห็นต้นใสอันมีผลหวานฉ่าอยู่บนยอดเขาอันเป็นที่รื่นรมมีเงาร่มเย็นเป็นที่เบิกบานใจข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญ ถัดนั้นไปพระองค์จะได้ทรงเห็นภูเขาศิลาชื่อว่านาลิกะบรรพศอันเกลื่อนกลนไปด้วยฝูงนกนานาชนิดเป็นที่ชุมนุมแห่งมูกินนอนทางทิศอีสานแห่งนาฬิกะบรรพศนั้นมีสะน้ําชื่อว่ามุจจลินดารดาษไปด้วยบุญฑริกอุบลขาวและอุบลแดงเชิญพระองค์ผู้เป็นดังราชสี มีความจำนงเหยื่อสเสด็จเข้าไปยังไพรสนวนาสถานคล้ายเช่นกับเมฆอันเป็นภูมิภาคมีหญ้าพแพรกเขียวชะอุ่มอยู่เป็นนิดสะพรั่งไปด้วยไม้มีดอกและไม้มีผลทั้งสองอย่างในไพรสนนั้นมีฝูงวิหกมากมายต่างต่างสีมีเสียงเสนอไพเราะต่างทรงเสียงประสานกันอยู่บนต้นไม้ อันผลดดอกตามฤดูกาลพระองค์เสด็จถึงซอกเขาอันเป็นทางเดินลำบากเป็นแดนเกิดแห่งแม่น้ำทั้งหลายจะได้ทอดพระเนตรเห็นสะบกครณีอันดารดาดไปด้วยสลอดและกลุ่มน้ำมีหมูปลาหลากหลายเกลื่อนกล่นมีท่าราบเรียบมีน้ำมากเปี่ยมอยู่เสมอเป็นสะสี่เหลี่ยมมีน้ำจืดดีปลาสจา ก, กลิ่นเหม็น พระองค์ควรทรงสร้างบรรณาศาลาทางทิศอีสานแห่งสะโบกครณีนั้นครั้นทรงสร้างบรรณาศาลาสำเร็จแล้วควรทรงบำเพ็ญเพียรเลี้ยงพระชนชีพด้วยการเที่ยวแสวงหามูลพลาหารวนประเวสนกันจบ